คัมภีวิสุทธิมักปริเฉษที่ยี่สิเอ็ดปฏิปทาญาณทัศ น, นวิสุทธินิเทศแต่ถ้าว่าวิปัสนาที่บรรลุถึงยอดด้วยญาณแปดและสัจจานุโลมิกญาณอันดับที่เก้านี้เรียกชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศ น, นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ ของความรู้และความเห็นในทางปฏิบัติถูกและในคําว่ายานแปดนี้พึงทราบไว้ว่าหมายถึงยานแปดเหล่านี้คืออุทธพยานุปัสนาญาณอย่างแก่ซึ่งเรียกว่าวิปัสนาที่พ้นจากอุปกิเลสดำเนินไปตามวิถีของวิปัสนาพังคานุปัสนาญาณ ยานกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองเนืองซึ่งความดับพยาตุปทานยานยานกำหนดรู้โดยปรากฏเป็นของน่ากลัวอทีนวานุปัสนายานยานกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองเนืองซึ่งโทษชั่วร้ายนิพพิทานุปัสนายานยานกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองเนืองด้วยความเบื่อหน่าย มุญจิตตุกรรมยตายานยานกำหนดรู้ด้วยความปรารถนาจะพ้นไปปฏิสังคานุปาานัสนาญาณญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองเนืองโดยพิจารณาทบทวนและสังขารูปเปกขายานญาณกำหนดรู้ด้วยการวางเฉยในสังขารคำว่า สัจจานุโลมิก า, านอันดับที่เกนั้นเป็นคำเรียกอนุโลมยานเพราะฉะนั้นโยคาวจรผู้ปรารถนาบรรลุอนุโลมยานนั้นจะต้องกระทำโยคะในยานทั้งหลายดังกล่าวนี้ตั้งแต่อุทยะพยาญาณอย่างแก่ซึ่งพ้นแล้วจากอุปกิเลสเป็นต้นไปสำหรับยานในที่นี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึง8 นับเป็นวิปัสนาญาณ16หตั้งแต่ลำดับที่สถึงส0บพลาวะอุทยะพยาญาณหรืออุทยะพยาญาณอย่างแก่หากมีคำถามว่ากระทําโยค่าในอุทยาพยาญาณต่อไปอีกมีประโยชน์อะไรตอบว่ามีประโยชน์ในการกำหนดรู้พระไตรลักษ เพราะว่าอุทยพยานในตอนต้นๆคืออย่างอ่อนนั้นเป็นยานที่ถูกอุปกิเลสิบทำให้หมัวหมองไม่สามารถกำหนดรู้พระไตรลักษ์โดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริงได้แต่อุทยพยานอย่างแก่ที่พ้นจากอุปกิเลสแล้วสามารถกำหนดรู้พระไตรลักษได้เพราะฉะนั้นโยคาวจจรจึงต้องทำโยคะ ในอุทยพยายานี้ต่อไปอีกเพื่อกำหนดรู้พระไตรลักษ์ถามว่าแต่ถ้าว่าพระไตรลักษ์ทั้งหลายก็ยังมิปรากฏเพราะอะไรปิดบังไว้เพราะไม่มนสิการอะไรตอบว่าก่อนอื่นอ น, นิจจละนะักษณะไม่ปรากฏเพราะสันตติปิดบังไว้ เพราะไม่มนาสิการความเกิดและความดับทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะอิริยาบถ ท, ทั้งหลายปิดบังไว้เพราะไม่มนาสิการความเบียดเบียนเฉพาะหน้าหนึ่งเนืองอนัตตาลักษณะไม่ปรากฏเพราะแท่งหรือก้อนปิดบังไว้เพราะไม่มนสิการถึงความสลายตัวของธาตุต่าง แต่ว่าเมื่อโยคาวจรกำหนดรู้ความเกิดแล้วความดับแล้วเพิกถอนสันติตออกไปอันนี้จะัลละสณะก็ปรากฏโดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริงเมื่อมณสิการความเบียดเบียนเฉพาะหน้าหนึ่งเนืองแล้วเพิกถอนอิริยาบถ ท, ทุกขลักษณะก็ปรากฏโดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริงเมื่อกระจายธาตุต่างๆออกไป และทำการกระจายความเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นกลุ่มออกไปอนัตตลักษณะก็ปรากฏวิภาคหกอันหนึ่งโยคีควรทราบวิภาคคือการจำแนกในลักษณะทั้งสามนี้ไว้ดังนี้คือหนึ่งอนิจจความไม่เที่ยง 2. อ, อั น, นิจะละนะักษณะลักษณะของความไม่เที่ยงสทุกขความเป็นทุกข์่ทุกคลนะักษณะลักษณะของความเป็นทุกข์าอนัตตาความไม่มีอัตตาและหอนัตตลนะักษณะลักษณะของความไม่มีอัตตาในวิภากษนั้นหนึ่ง ขันห้าชื่อว่าอนิจจ์ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเกิดขึ้นดับไปและมีความเป็นอย่างอื่นหรือว่าเพราะมีแล้วหามีไม่ได้แก่เพราะเกิดแล้วดับไป 2. ความเกิดขึ้นดับไปและความเป็นอย่างอื่นเป็นอนิจจ์ลนะักษณะหรือว่าอาการและพิการ กล่าวคือควรมีแล้วหามีไม่คือเกิดแล้วดับไปเป็นอ น, นิจจักษณะ ส, นะสแต่ขันห้านั้นนั่นแหลเป็นทุกขะเพราะมีพระพุทธดำรัสอยู่ว่ายธานิจจังตัางทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกถามว่าเพราะเหตุไร ตอบว่าเพราะเบียดเบียนเฉพาะหน้านเนื่งเนืองสอาการเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนื่งเนืองเป็นทุกขลักษณะหและขันหานั้นนั่นเองชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะมีพระพุทธดารัสอยู่ว่าอย่างทุกขังตทธนตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะไม่เป็นไปในอำนาจ 6. อาการไม่เป็นไปในอำนาจเป็นอนัตตลักษณะโยคาวจจ์นี้กำหนดรู้วิภาคนี้นั้นอยู่แม้ทั้งหมดด้วยอุทยพยายญาอย่างแก่ที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาซึ่งพ้นไปแล้วจากอุปกิเลส ดำเนินไปตามวิถีโดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริงจบอุทยพยานุปัสนาญาณพังคานุปัสนาญาณเมื่อโยคาวจร น, นั้นกำหนดรู้อยู่อย่างนี้แล้วช่างใจไตรตรองรูปธรรม และอรู ป, ปรธรรมคือรูปและนามทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วแล้วเล่าๆลายานนั้นก็ดำเนินไปแก่กล้าสังขารทั้งหลายก็ปรากฏรวดเร็วเมื่อยานดำเนินไปแก่กล้าเมื่อสังขารทั้งหลายปรากฏรวดเร็วยานก็ตามไม่ทันความเกิดขึ้นหรือความตั้งอยู่หรือความเป็นไป หรือนิมิตของสังขารทั้งหลายสติคือยานก็ตั้งมั่นอยู่ในนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปและความแตกทำลายไปแต่อย่างเดียวพระบาลีอธิบายความพังคานุปสนาญาณเมื่อโยคาวจรนั้นเห็นอยู่ว่า สังขารเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วดับไปอย่างนี้เป็นธรรมดาดังนี้วิปัสนาญาณชื่อว่าพังคานุปัสสนาก็เกิดขึ้นณที่ตรงนี้ซึ่งท่านกล่าวระบุถึงไว้ในพระบาลีปฏิสัมพิธามักแปลความว่าถามว่าปัญญาในการกําหนดรู้อารมณ์แล้วเห็นหนึองเนืองซึ่งความดับ ชื่อว่าวิปัสนาญาณเป็นอย่างไรจิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วดับไปโยคีกำหนดรู้อารมณ์นั้นแล้วเห็นอยู่หนึ่งเนืองซึ่งความดับของจิตนั้นที่ว่าเห็นหนึ่งเนืองคือเห็นหนึ่งเนืองอย่างไรคือเห็นหนึ่งเนืองโดยความไม่เที่ยงมีใช่เห็นหนึ่งเนืองโดยความเป็นของเที่ยงเห็นหนึ่งเนือง โดยความเป็นทุกข์มิใช่เห็นเนืองเนืองโดยความเป็นสุขเห็นเนืองเนืองโดยความเป็นอนัตตามิใช่เห็นเนืองเนือ ง, งโดยความเป็นอัตตาเบื่อหน่ายอยู่มิใช่เพลิดเพลินยินดีปราศจากความกำหนัดมิใช่กำหนัดอยู่ดับไปไมิใช่ให้เกิดขึ้นสลัดทิ้งไปไมิใช่ยึดถือไว้ เมื่อเห็นหนึ่งเนืองโดยความไม่เที่ยงก็ละนิจสัญญาคือความสำคัญว่าเที่ Ollie ยงเสียได้เมื่อเห็นหนึ่งเนืองโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นสกเสียได้เมื่อเห็นหนึ่งเนืองโดยเป็นอนัตตาก็ละอัตตสัญญาคือความสำคัญว่ามีอัตตาเสียได้เมื่อเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินยินดี เมื่อปราศจากความกำหนัดก็ละความกำหนัดเมื่อดับก็ละสิ่งเป็นแดนเกิดเมื่อสลัดทิ้งไปก็ละความยึดถือไว้และโดยในยะเดียวกันกับเรื่องจิตมีรูปเป็นอารมณ์ดังที่กล่าวมาจิตมีเวทนาเป็นอารมณ์จิตมีสัญญาเป็นอารมณ์จิตมีสังขารเป็นอารมณ์ จิตมีวิญญาณเป็นอารมณ์จิตมีจักรสุเป็นอารมณ์ไปยานจนถึงจิตมีชราและมรณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นและดับไปไปยานเมื่อโยคยีสลัดทิ้งไปก็ละความยึดถือไว้การย้ายไปสู่วัตถุที่ตั้งการคงที่อยู่ในปัญญา และมีกำลังเข้มแข็งในการนึกคิดชื่อว่าปฏิสังขาวิปัสนาความเห็นแจ้งด้วยการกำหนดรู้การกำหนดรู้อารมณ์ทั้งสองโดยสภาวะอันเดียวกันโดยกำหนดไปตามอารมณ์นั่นแหลคือความน้อมจิตไปในนิโรธชื่อว่าวิยลักษณะวิปัสนาคือความเห็นแจ้งลักษณะของความดับ ภิกษุกำหนดรู้อารมณ์หนึ่งและเห็นหนึ่งเนืองซึ่งความดับหนึ่งปรากฏโดยความว่างเปล่าหนึ่งชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสนาคือความเห็นแจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่งภิกษุผู้ฉลาดในอนุปัสนาสามและในวิปัสนาสีไม่หวั่นไหวในทิฏฐิต่างๆเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุปทานสาม การกำหนดรู้ชื่อว่าญาณโดยความหมายว่ารู้แล้วชื่อว่าปัญญาโดยความหมายว่ารู้ทั่วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดรู้อารมณ์แล้วเห็นอยู่หนึ่งเนืองซึ่งความดับชื่อว่าวิปัสนาญาณอธิบายความ ในพระบาลีปฏิสัมพิทามักในพระบาลีนั้นคำว่ากำหนดรู้อารมณ์ความว่ากำหนดแล้วรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่าเห็นอารมณ์ไร่ไรโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปคำว่า ปัญญาในการเห็นเนืองๆซึ่งความดับความว่าปัญญาใดในการเห็นอยู่เนืองๆซึ่งความดับของยานที่เกิดขึ้นกําหนดรู้อารมณ์โดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปนั้นนี้ท่านกล่าวว่ายานในวิปัสสนาคําถามด้วยมุ่งหมายเพื่อจะกล่าวตอบในวงเล็บกเทตุกรรมยตาปุจฉาว่า วิปัสสนาญาณนั้นเป็นอย่างไรมีเนื้อความดังกล่าวมานี้ก่อนจากนั้นเพื่อแสดงอาการที่ญาณนั้นเป็นไปท่านจึงกล่าวคำพระบาลีว่ารูปปารัมมณตามีรูปเป็นอารมณ์ดังนี้เป็นต้นในพระบาลีนั้นคำว่าจิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วดับไป หมายความว่าจิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าจิตเกิดขึ้นในความมีรูปเป็นอารมณ์แล้วแตกดับไปคําว่ากําหนดรู้อารมณ์นั้นความหมายว่ากําหนดรู้อารมณ์คือรูปนั้นอธิบายว่าเห็นอารมณ์ คือรูปนั้นโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปคำว่าเห็นอยู่หนึ่งเนืองซึ่งความดับของจิตนั้นอธิบายว่าเห็นอารมณ์คือรูปนั้นโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปด้วยจิตดวงใดแล้วโยคาวจรเห็นหนึ่งเนืองซึ่งความดับของจิตดวงนั้นด้วยจิตดวงอื่นเพราะฉะนั้น ท่านพระบัรานอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าโยคาวจรเห็นแจ้งอยู่ซึ่งอารมณ์ที่รู้แล้วด้วยซึ่งญาณด้วยแม้ทั้งสองอย่างความหมายของคําว่าเห็นเนืองเนืงองอนหนึ่งคําว่าอนุปัสสติคือเห็นเนืองเนืองในพระบาลีนี้ความหมายว่า ตามเห็นเนืองเนืองอธิบายว่าเห็นแล้วเห็นอีกโดยอาการหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าที่ว่าเห็นเนืองเนืองคือเห็นเนืองเนืองอย่างไรคือเห็นเนืองเนืองโดยความไม่เที่ยงดังนี้เป็นต้นในอาการหลายอย่างนั้นเพราะเหตุที่ที่สุดของความไม่เที่ยงชื่อว่าพังคะ คือความดับฉะนั้นโยคาวะจอนผู้เห็นหนึ่งเนืองซึ่งความดับผู้นั้นจึงเห็นอยู่หนึ่งเนืองซึ่งสังขารทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นหนึ่งเนืองโดยความเที่ยงแต่นั้นก็เห็นอยู่หนึ่งเนืองซึ่งสังขารทั้งปวงนั้นนั่นแลโดยความเป็นทุกข์มิใช่เห็นหนึ่งเนืองโดยความเป็นสุขเห็นหนึ่งเนืองโดยความเป็นอนัตตา มิใช่เห็นหนึ่งเนืองด้วยความเป็นอัตตาเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเพราะความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันหนึ่งเพราะเหตุที่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่พึงยินดีพอใจสิ่งนั้นและสิ่งใดที่ไม่พึงยินดีพอใจไม่พึงกำหนัดในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นโยคาวจรจึงเบื่อหน่าย ไม่เพลิดเลินยินดีปราศจากกำหนัดไม่กำหนดในสังขารที่ตนเห็นแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้โดยการรำลึกตามการเห็นหนึงเนืองซึ่งความดับเมื่อโยคาวะจรนั้นไม่กำหนัดอยู่อย่างนี้ก็ทำความกำหนัดคือราคาให้ดับไปมิให้เกิดขึ้น อธิบายว่ากระทำาีิให้เกิดขึ้นด้วยยานขั้นโลกีเท่านั้นก่อนอีกประการหนึ่งโยคหาวจร น, นั้นเป็นผู้ประสจากกำหนัดอย่างนี้แล้วทำสังขารที่ตนเห็นแล้วให้ดับไปมิให้เกิดขึ้นชั้นใดก็ทำสังขารแม้ที่มิได้เห็นให้ดับไปมิให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจยานโดยลำดับเหมือนกันชันนั้น อธิบายว่ามนาศิกาโดยความดับอย่างเดียวคือว่าเห็นแต่ความดับอย่างเดียวของสังขาร น, นั้นไม่เห็นความเกิดเมื่อโยกข่าวปรจรผู้นั้นปฏิบัติถึงอย่างนี้แล้วก็สลัดทิ้งไปไม่ยึดถือไว้ถามว่าคำที่กล่าวมานั้นหมายความอย่างไร ตอบว่าอนุปัสนาคือความเห็นเนืองเนืงมีอนิจจานุปัสนาคือความเห็นเนืองเนืองโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นแม้นี้ท่านเรียกไว้สองอย่างคือปริจาคะปฏินิสัคโคการสลัดทิ้งไปด้วยการสละเพราะสละกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันและอภิสังขารทั้งหลายด้วยตัทังคะปาหานคือละชั่วคราวอย่างหนึ่ง เรียกว่าปักขันธะนปฏินิสโคการสลัดทิ้งไปด้วยการแล่นเข้าไปเพราะแล่นเข้าไปในพระนิพพานอันตรงข้ามกับสังกัตรธรรมนั้นโดยความน้อมไปในพระนิพพานนั้นด้วยการเห็นโทษของสังกัตรธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนั้น จึงสละกิเลสทั้งหลายได้ด้วยและแล่นเข้าไปในพระนิพพานด้วยโดยนัยยะดังกล่าวแล้วอีกทั้งไม่ยึดถือกิเลสทั้งหลายไว้ด้วยการทำให้เกิดไม่ยึดถืออารมณ์แห่งสังคตตธรรมด้วยความเป็นผู้ไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสละทิ้งไปไม่ยึดถือไว้ ณ บ, บัดนี้เพื่อจะแสดงการละธรรมทั้งหลายที่เหลือซึ่งละได้ด้วยญาณทั้งหลายของพระภิกษุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อเห็นหนึ่งเนืองโดยความไม่เที่ยงก็ละนิจสัญญาเสียได้ดังนี้เป็นต้นคำว่านันทีความเพลิดเพลินยินดีในพระบาลีนั้นได้แก่ตันหาประกอบด้วยปีติ คำนอกนั้นมีนัยยะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละส่วนในคถาบาลีทั้งหลายคําว่าการย้ายไปสู่วัตถุที่ตั้งหมายความว่าเห็นความดับของรูปแล้วความดับนั้นเห็นด้วยจิตดวงใดย้ายไปสู่วัตถุที่ตั้งอื่นจากวัตถุที่ตั้งเดิมด้วยการเห็นความดับของจิต แม้ดวงนั้นต่อไปอีกคำว่าคงที่อยู่ในสัญญาหมายความว่าละความเกิดเสียและตั้งแนวแน่อยู่แต่ในความดับคำว่ามีกําลังเข้มแข็งในการนึกคิดหมายความว่ามีความสามารถในการนึกคิดติดต่อกันไปไม่มีหยุดขั้นเลย เพื่อเห็นความดับของรูปแล้วจะได้เห็นความดับของจิตซึ่งมีความดับของรูปนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปอีกคำว่าปฏิสังขาวิปัสนาหมายความว่าการกำหนดรู้อารมณ์ดังกล่าวนี้ชื่อว่าพังคานุปัสนาคำว่าการกำหนดรู้อารมณ์ทั้งสอง โดยสภาวะอันเดียวกันโดยดำเนินไปตามอารมณ์นั่นแหลอธิบายว่ากำหนดรู้อารมณ์ทั้งสองโดยสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแหลอย่างนี้ว่าสังขารในปัจจุบันนี้แตกดับอยู่ชั้นใดสังขารแม้ในอดีตก็แตกดับไปแล้วสังขารแม้ในอนาคตก็จะแตกดับไปชั้นนั้นดังนี้โดยการดำเนินไป คือโดยลำดับของอารมณ์ที่ตนเห็นแล้วโดยประจักษ์เรื่องนี้แม้ท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายก็กล่าวไว้แล้วว่าพระภิกษุผู้มีทัศนบริสุทธิ์ในสังขารซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันผู้นี้นำเอาทัศนะอันบริสุทธิ์นั้นแลไปในสังขารซึ่งเป็นอดีตและอนาคตด้วยสังขารทั้งหลายแม้ทั่วทั้งปวงมีปกติแตกสลายไป เหมือนหยดน้ำค้างเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นมาก็สลายไปฉะนั้นคำว่าความน้อมจิตไปในนิโรธหมายความว่าทาการกำหนดรู้อารมณ์ทั้งสอง้วยสภาวะอย่างเดียวกันด้วยความดับอย่างนั้นแล้วน้อมจิตไปในนิโรธกล่าวคือความดับนั้นแต่อย่างเดียว อธิบายว่าความเป็นผู้หนักไปในความดับนั้นน้อมไปในความดับนั้นโอนไปในความดับนั้นโน้มเอียงไปในความดับนั้นคำว่าวยาลักษณะวิปัสนาท่านกล่าวว่าการกำหนดรู้ดังกล่าวนี้ชื่อว่าวยาลักณะวิปัสนาคือความเห็นแจ้งลักษณะของความดับ คำว่ากำหนดรู้อารมณ์หนึ่งหมายความว่ารู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นที่มีอยู่ก่อนหนึ่งคำว่าเห็นเนืองเนืองซึ่งความดับหนึ่งหมายความว่าเห็นความดับของอารมณ์นั้นแล้วยังเห็นเนืองเนืองซึ่งความดับของจิตซึ่งมีความดับนั้นเป็นอารมณ์ด้วย คำว่าความปรากฏโดยความว่างเปล่าหนึ่งหมายความว่าเมื่อโยคาวจร น, นั้นเห็นอยู่หนึ่งเนืองซึ่งความดับอย่างนั้นความปรากฏโดยความว่างเปล่าก็ปรากฏชัดแจ้งว่าสังขารทั้งหลายนั่นเองแตกดับไปการแตกดับของสังขารทั้งหลายนั้นเป็นความตายไม่มีใครๆอื่นดังนี้ เพราะฉะนั้นท่านพระบาวร า, าจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าคันทั้งหลายดับไปไม่มีใครอื่นความแตกดับของคันทั้งหลายเขาเรียกว่าความตายโยคีผู้ไม่ประมาทเห็นอยู่ซึ่งความแตกดับของคันทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอุบายที่แยบคายเหมือนช่างเจรไนเห็นแก้วมณีที่ตนเจาะอยู่ด้วยเพชรฉะนั้น อธิบายว่าช่างนั้นมุ่งดูอยู่ที่รูเจาะมิได้เพ่งดูสีหรืออื่นๆของแก้วมันีฉันใดโยคีก็เพ่งดูความแตกดับของขันทั้งหลายมิได้เพ่งดูขันทั้งหลายฉันนั้นคำว่าอธิปัญญาวิปัสสนาท่านกล่าวว่าความกำหนดรู้อารมณ์หนึ่งการเห็นห น, หนึ่งซึ่งความดับหนึ่ง การปรากฏโดยความว่างเปล่าหนึ่งสามอย่างนี้ชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสนาคือความเห็นแจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่งคำว่าผู้ฉลาดในอนุปัสนาสามคือว่าพระภิกษุผู้ฉลาดในอนุปัสนาสามมีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นคำว่า และในวิปัสนาสีได้แก่ในวิปัสนาสีมีนิพพิทานุปัสนาเป็นต้นคำว่าเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุปทานสามความว่าเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุปทานคือความปรากฏสามอย่างนี้ด้วยคือความปรากฏโดยความสิ้นไปหนึ่งโดยความเสื่อมไปหนึ่งโดยความว่างเปล่าหนึ่ง คำว่าไม่หวั่นไหวในทิฏฐิต่างๆความว่าไม่สายไปในทิฏฐิทั้งหลายมีประการต่างๆมีสัตสะตาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเป็นต้นเมื่อโยคาวจรนั้นไม่สายไปสายมาอย่างนี้เป็นผู้มีมณสิการดำเนินไปว่าสิ่งที่ยังไม่ดับนั่นแหละดับอยู่สิ่งที่ยังไม่แตกนั่นแหละแตกอยู่ ละความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเป็นไปและนิมิตของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเสียเห็นแต่ความแตกดับอย่างเดียวประดุดบุคคลเห็นการแตกของภาชนะบอบบางกําลังแตกอยู่เห็นการแตกกระจายของฝุ่นละอองที่กําลังปลิวว่อนอยู่เห็นการแตกของเมล็ดงาที่กําลังถูกคั่วอยู่โยคาวจร น, นั้นเห็นอยู่ว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงกำลังแตกดับอยู่เหมือนบุรุษผู้มีดวงตายืนอยู่หน้าริมฝั่งสะโบกธรณีหรือหน้าริมฝั่งแม่น้ำเมื่อฝนเม็ดหนากำลังตกอยู่เขาพึ่งเห็นตอมน้ำใหญ่ๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นบนผิวน้ำแล้วแตกไปทันทีทันใดฉะนั้นแน่ละ่ะพระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงโยคาวัจรเช่นกล่าวนี้ จึงตรัสว่ามัจจุราชมองไม่เห็นบุคคลผู้กำหนดเห็นโลกคือขันห้าเหมือนเห็นต่อมน้ำและเหมือนเห็นพยับแดดอานิสงพังคานุปัสสนาญาณเมื่อโยคาวจรผู้นั้นเห็นอยู่เนืองเนืองว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงแตกดับไปแตกดับไปอยู่อย่างนั้นพังคานุปาานัสสนาญาณซึ่งมีอ น, นิสงส์แปดประการเป็นบริวารก็ถึงความมีกำลังแก่กล้าอ น, นิสงส์แปประการในพังคานุปัสสนาญาณนั้นคืออ น, นิสงส์งเหล่านี้หนึ่งละภวะทิฏฐิคือความเห็นในความมีและไม่มีแห่งภพ สสละความอาลัยรักใคร่ในชีวิต 3. ประกอบความเพียรมั่นคงในความเพียรที่ควรประกอบอยู่ทุกเมื่อ 4. มีอาชีพบริสุทธิ์ 5. ละความทะเยอทะยาน 6. ปราศจากความกลัว 7. ประกอบด้วยขันติและโสรจจา ละแปดอดกลั้นต่อสิ่งไม่พอใจและในความกำนัดยินดีเพราะฉะนั้นท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่ามุนีผู้มีปกติเห็นเนืองๆซึ่งความแตกดับครั้นเห็นคุณอันยอดเยี่ยมแปดประการเหล่านี้แล้วเป็นเสมือนบุคคลผู้มีผ้าโพกบนศรีรษะถูกไฟไหม กำหนดพิจารณาเห็นแล้วเห็นเล่าอยู่ในพังคานุปสนาญาณ น, นั้นเพื่อบรรลุอมตะนิพพานจบพังคานุปสนาญาณ